สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาทนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดตอนสรุปของคําอุปมาที่เกี่ยวข้องกับพระคุณของพระเจ้านั้นแสนชื่นใจน้องครับคําอุปมาทั้งสี่เรื่องที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับก็คือคําอุปมาเรื่องผู้พิพากษาอธรรมคําอุปมาเรื่องปริสีกับคนเก็บภาษีคําอุปมาเรื่องคนงานในสวนองุ่น และทำอุปมาที่เกี่ยวข้องกับเงินวินาทั้งสี่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพระคุณของพระเจ้าที่แสนชื่นใจพระคุณของพระเจ้านั้นได้บรรยายไปแล้วนะครับว่าคาว่าพระคุณมีความหมายว่าเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายได้รับเป็นของประทานจากพระเจ้าให้เรากล่าวฟรีๆอย่างที่เราไม่สมควรได้รับเพราะฉะนั้น เมื่อเรามาสรุปคําอุปมาทั้งสี่เรื่องนี้ทำให้เราเห็นถึงความสอดคล้องของทั้งสี่เรื่องทั้งสีเรื่องนี้พูดถึงเรื่องของพระคุณของพระเจ้าครับในคําอุปมาเรื่องผู้พิพากษาอาธรรมเราได้เห็นผู้พิพากษาที่ไม่ยำเกรงพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาที่ไม่เคารพสิทธิของประชาชนเขาจัดการให้ความชอบธรรมให้ความเป็นธรรมให้กับหญิงไม่ เพื่อที่จะไม่ให้เธอมากวนและก็เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองขายหน้าเมื่อพระเยซูทรงเปรียบเทียบพูดพระสาอาธรรมที่ตรงข้ามกับพระเจ้าพระเยซูทรงตรัสว่าพระเจ้าจะไม่ทรงประทานความยุติธรรมแก่คนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ผู้ร้องถึงพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนหรือโดยสรุปก็คือว่าพระเจ้าจะทรงประทานความยุติธรรมให้กับเขา อย่างรวดเร็วครับบรรยายข้อนี้บรรยายเกี่ยวข้องกับพระเจ้าไว้ก็คือพระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษาที่ชอบทำและพระองค์สามารถที่จะตอบคำอธิษฐานของเราได้ทันเวลาพระองค์กำลังฟังคำอธิษฐานของเราอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์จะเจ็บป่วยหรือสุขสบาย จะยากดีมีจนที่น้องครับในหนึ่งเปรตโอเบอที่ห้าข้อที่เจ็ดได้กล่าวว่าให้เราละความกังวลกระวายละความกังวลกังวัยละความเป็นห่วงละความกังวลไว้กับพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยเราทั้งหลายอันนี้คือพระเจ้าผู้ทรงฟังคำอธิการของเราครับพระองค์กำลังฟังคำอธิการของเราได้ทั้งกลางวันกลางวันและกลางคืน พระองค์ฟังคำอาธิษฐานของเราได้ทุกที่ทุกโหนทุกแห่งไม่ว่าเราจะอยู่แห่งไหนตำบลใดก็ตามพระองค์ทรงเป็นออมนิเพรเซนต์ก็คือพระองค์ทรงสถิตทั่วทุกแห่งผหนบางคนใช้คำว่าสากลสถิตนะครับก็คือออมนิเพรเซนต์คำว่าออมนิแปลว่า all a w l all นะครับก็คือทุกแห่งหรือทั้งหมดเพรเซนต์ Present, ก็หมายถึงว่าทรงอยู่ทุกแห่ง พระองค์ทรงสถิตอยู่ทุกแห่งหนพระองค์ทรงฟังคําอธิษฐานของเราได้ทุกเวลาและเวลานี้พระองค์ก็ฟังคำอธิษฐานของพวกเราซึ่งเป็นคนมากมายทั่วโลกที่ได้อธิษฐานในเวลาเดียวกันได้พระเจ้าทรงเที่งธรรมครับพระเจ้าทรงบริสุทธิ์พรงทรงฟังกรมยุติฟังคํำอธิษฐานและพระองค์ทรงยุติธรรมและพระองค์ทรงพระคุณมากมายนี่คือพระคุณอันแสนชื่นใจ คุณอันแราอัศจรรย์เรื่องที่สองก็คือคําอุมาเรื่องควาลิศีและคนเก็บภาษีครับเราจะเห็นถึงการอธิษฐานสองแบบนะครับที่ไม่เหมือนกันแบบหนึ่งพระเจ้าไม่ขอถายครับแบบหนึ่งพระเจ้าขอถ่ายเมื่อคนคนหนึ่งเขาอธิษฐานนะครับพวกควาลสศีอธิษฐานแบบหนึ่งคนเก็บภาษีอธิษฐานแบบหนึ่งตอนที่เขาลงไปจากพวิหาร พระเจ้าก็ถือว่าเขาชอบทำแสดงว่าการอธิษฐานนั้นนำไปถึงความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้าการอธิษฐานที่ถูกต้องจะนำไปถึงความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้านะครับนั่นคืออะไรครับนั่นคือการยอมรับรว่าตัวเองเป็นคนบาปนั่นคือการสารภาพบาปทูลขอการอภัยโทษจากพระเจ้านั่นคือความถ่อมใจการไม่หยิ่งยะโสนี่คือพระคุณเรื่องการอธิษฐานครับ พระคุณในเรื่องที่ว่าเราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีที่ถูกต้องกับพระเจ้านะครับพระเจ้าจะทรงฟังคำอธิษฐานของเราคําอุปมานี้บอกเราเกี่ยวกับการที่พระเจ้านั้นสามารถมองเห็นแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังคําอธิษฐานของเราได้นะครับพระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นแรงจูงใจท่าทีที่เกิดจากสิ่งที่อยู่ข้างในใจของเรา พระเจ้าบอกว่าองค์จะทรงยกบรรดาผู้ที่ถ่อมใจขึ้นครับพระเจ้าจะทรงฟังคำอธิษฐานและทรงตอบคาอธิษฐานที่จริงใจกับพระองค์เท่านั้นและพระองค์ทรงสามารถอภัยโทษความผิดบากของเราเมื่อเราทูลขอและสารภาพและมีท่าทีการจับใจใหม่อย่างจริงจังและจริงใจในคาอุ ม, มาที่สามครับเราจะเห็นคาอุ ม, มาเรื่องคนงานในสวนนงุ่น เขาได้เรียนรู้ว่าคนงานจํานวนมากที่ทํางานในเวลาที่ไม่เท่ากันแต่ได้รับค่าจ้างอย่างเดียวกันนะครับเจ้าของสวนเชื่อว่าเขามีสิทธิ์ที่จะใช้เงินที่เป็นของเขาอย่างไรก็ได้เจ้าของสวนนั้นเปรียบได้กับพระเจ้าครับอุปมาเรื่องเจ้าของสวนนั้นก็เปรียบเทียบได้กับเป็นแผ่นดินของพระเจ้าในแผ่นดินของพระเจ้าพระเจ้ามีสิทธิ์ที่อํานาจสูงสุดครับนะครับเป็นสิทธิ์ที่อํานาจสูงสุดก็เรียกว่า เป็นสุพรีนะครับออฟอริตี้พรีอออริตี้คือพระเจ้ามีสิทธีอำนาจสูงสุดเพราะว่าพระเจ้านั้นทรงไว้ซึ่งวิเศและพลานุภาพนะครับวิถานุภาพสูงสุดเพราะฉะนั้นโปรงก็จะสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ตามพระประสงค์ตามน้าทัยของโปรงพี่น้องครับเราเป็นคนงานในสวนลุงหนุนนะครับเราจะต้องเรียนรู้พระลักษณะของพระเจ้าว่าโรงทรงมีพระคุณ รงทรงมีริทยาลุภาพสูงสุดและตรงรักทุกคนอย่างเที่ยงธรรมรงทรงประธานบาเหน็จตามการกระทาของเราด้วยชีวิตนิรันดร์คือชีวิตที่พระเจ้าได้ให้กับเราอย่างทุกคนโดยพระคุณของพระองค์เท่านั้นครับเพราะจริงๆแล้วเราไม่มีสิทธิที่จะได้รับชีวิตนิรันดร์เลยเพราะเพตที่เราเป็นคนบาปครับแต่สิ่งที่เป็นค่าที่ของเราที่สำคัญ ก, ก็คือว่าเราต้องกลับใจใหม่ การกลับใจใหม่นั้นเป็นการหงายชาญนะครับหงายชามของเราขึ้นเพื่อรับน้ำฝนหงายชีวิตของเราขึ้นเพื่อรับพระคุณของพระเจ้านะครับในคําอุปมาเรื่องสุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับเงินนิ่งนะครับได้ลเล่าว่ามีเจ้านายองค์หนึ่งมอบทรัพย์สมบัติไว้ในความรับผิดชอบของพวกทาสของเขาและขณะที่เขาจะออกเดินทางไปยังเมืองไกลเพื่อชูทรงรเปรียบเที่เจ้านายนั้นกับพระองค์เอง ที่ประทานหน้าที่ความมั่ผิดชอบให้กับคร Illinois ิสเตียนเรานะครับหน้าที่ความมั่ผิดชอบให้กับคริสเตียนเราที่พระเยซูประทานมากที่สุดนั่นคือพระมหาบัญชาครับพระมหาบัญชานั้นคือคาบัญชาที่ให้คริสเตียนเผยแผ่เอาประเสริญให้กับคนอื่นเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าในเรื่องนี้ก็คือพระองค์อะไมครับพรองค์ทรงคาดหวังให้คริสเตียนรับผิดชอบในหน้าที่ของเราพรองค์ทรงประทานของประธานกับเราในการเผยแผ่ เผ่าเผยแผ่แท็กิริคุณของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงพระพิโรธนะครับหรือทรงไม่พอพระทยัยเมื่อเราเพิกเฉยต่อความรับผิดชอบเมื่อเราเพิกเฉยต่อข้อมหาบัญชาทรงจะชมเชยผวกรับใช้ที่สัตย์ซื่อผู้ที่พัฒนาของพัฒทานผู้ที่พัฒนาตัลลันของตัวเองพี่น้องครับหัวข้อของบทเรียนในคช้าวันนี้นะครับก็คือบทสรุป ก็มีอยู่สองคำครับพระคุณของพระเจ้าและความชอบธรรมสองคำนี้เป็นคำที่สําคัญมากที่จะทําให้เราเข้าใจว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นอย่างไรทรงทรงพระคุณในการที่ทรงทรงช่วยเราทรงทรงให้ชีวิตนี้รันให้กับเราทรงทรงประทานทุกสิ่งในโลกนี้ที่สวยงามให้กับเราและเป็นประโยชน์ต่อเรา ทรงประทานสิ่งต่างๆเช่ดนดวงอาทิตย์ตากาที่เราหายใจวันแล้ววันเล่าไม่ว่าเราจะขอบพระคุณพระองค์หรือไม่ก็ตามทรงได้ทรงอดทนอดกลั้นกับความโง่เขลาของเราความไม่รู้ของเราและความบากของเราทรงทรงให้อภัยความบากของเราครั้งแล้วทั้งเล่านี่นะครับเป็นเหตุผลที่ทําไมเราจึงพูดว่าพระองค์ทรงพระคุณ น, นะครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องของความชอบธรรมครับ เรากําลังพูดถึงเรื่องความดีรอบครอบของพระเจ้าความยุติธรรมความเที่ยงธรรมของพระองค์ในการที่พากษาในการให้รางวัลในการปูนบรรณในชีวิตของเราและพระองค์ทรงมีความยุติธรรมและเที่ยงธรรมชี้นําทางชีวิตของเราถ้าทีเดียวที่เราตอบสนองต่อพระคุณและความชอบธรรมของพระเจ้าก็คือท่าทีแห่งการกลับใจใหม่ครับกลับใจใหม่เพื่อที่จะรับพระคุณ ซึ่งพระคุณนี้ทําให้เราทั้งหลายกลายเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์ครับและความชอบธรรมจะหลั่งไหลออกมาจากชีวิตของพวกเราไปถึงคนอื่นๆพระคุณของพระองค์ซึ่งเป็นความชอบธรรมนั้นนําการอภเยโทษบาปมาถึงชีวิตของเรานําความรอบนําการคืนดีนําชีวิตของเรานําชีวิตนิรันดร์มาถึงเราที่น้องครับการที่เรารับพระคุณนั้นหมายความถึงการหงายชาม นะครับหงายชามกลับเพื่อที่จะรับฝนซึ่งเป็นพระคุณของพระเจ้าถ้าเราคว่ำชามของเราอยู่ฝนตกเท่าไหร่ชามเราก็มีวันเต็มครับในขณะเดียวกันะครับเราต้องคำนึงถึงเรื่องของการรับใช้พระเจ้าด้วยความสัตด์ซื่อเราต้องตอบสนองต่อพระคุณและความชอบธรรมที่พรงได้ทรงมอบให้กับเรานั้นด้วยความศัตด์ซื่อด้วยด้วยการพัฒนาของพขดทาน พัฒนาตะลันของเรานะครับด้วยความรับผิดชอบต่อพระคุณของพระเจ้านี่คือการตอบสนองที่ถูกต้องครับที่น้องครับอยากจะให้สิ่งเหล่านี้จะเป็นชีวิตของท่านชีวิตของผมเช่นเดียวกันในฐานะที่ผมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าผมเองนั้นก็ต้องกลับใจใหม่อยู่เสมอในความคิดในคำพูดในการกระทําทั้งหลายขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าที่สัตย์ซื่อ ที่จะพัฒนาของประธานพัฒนาการลันของเราด้วยความรับผิดชอบเพื่อที่จะให้พระองค์ได้ทรงชมเราในสุดท้ายว่าเจ้าเป็นท่าที่ดีและสั์ซื่อกาวเมนิน